บทนี้จะแสดงธรรมเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธาชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวมาถึงเรื่องของนิวรซึ่งเป็นสิ่งที่กั้นจิตบุคคลไว้ไม่ให้บรรลุความดีหรือบางครั้งทรงใช้คำว่าเป็นสนิมใจเป็นมลทินใจคือมีลักษณะมือนกันเนิน ซึ่งจะต้องข้ามไปได้โดยยากลักษณะของการศึกษาเรื่องนิวร์ในชั้นนี้อุปกรณ์ที่สำคัญในการศึกษาก็คือสติสัมปชัญญะและความเพียรอันเป็นการระลึกรูกจิตของตนเองในลักษณะที่ต่อเนื่องอันที่จริงการเกิดของนิวร์ก็ไม่ได้เป็นไปตามลำดับที่เรียงไว้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของคนลักษณะของอารมณ์ในขณะนั้นๆตลอดถึงการสะสมอารมณ์ของคนการมองดูนิวรณ์จึงมองเฉพาะทั้งสองด้านด้านปรากฏตัวของนิวรณ์ก็ใดขดหนึ่งหรือการไม่มีนิวรณ์ก็ใดขดหนึ่งแต่การไม่มีนิวรณ์นั้นอาจจะมีอกุศลลักษณะอย่างอื่นก็ได้ ดังนั้นการพิจารณาจึงต้องดูว่าในกรณีที่ไม่มีไม่มีนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งนั้นจิตในขณะนั้นเป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศลถ้าเป็นกุศลก็เป็นเรื่องที่จะต้องประคับประคองรักษาไวแต่เรียกว่าประคองจิตไวใ้ให้อยู่ในกุศลเหล่านั้นได้นานๆแต่ <c oughs> ในกรณีที่เป็นอกุศล แม้จะปรากฏรูปลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เมื่อปรากฏแก่จิตคือเกิดขึ้นรุ่มรุมจิตก็ต้องอยู่ในนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งซึ่งจําเป็นจะต้องอาศัยสติสัมปชัญญะระลึกรู้ให้ชัดเจนว่าอาการเหล่านี้เป็นอาการของนิวรณ์ข้อไหนเช่นตัวอย่างการฉัน คือจิตที่มีลักษณะตรึกนึกเห น, นียวนึกถึงรูปเสียงกลิน่นรสสัมผัสตลอดถึงอารมณ์ที่ใจไปกําหนดว่าหน้าใครนะ้าปรารถนาน้าพอใจอันที่จริงอารมณ์ที่กําหนดระลึกนั้นไม่จําเป็นจะต้องเป็นอารมณ์ปัจจุบันอาจจะเป็นอารมณ์ในอดีตระลึกด้วยความเสียดายความเสิ้นหาความอาลายัย ความต้องการให้กลับย้อนคืนมาเรืออาจจะเดี๋ยวนึกไปในเรื่องของอนาคตป ร, รารถนาให้ได้ให้มีให้เป็นในสิ่งที่ตนมุ่ง ม, มานปรารถนาอาจจะกำหนดการแลระยะเวลาไปอีกหลา ย, ลายปีก็ได้แต่ว่าตัวอารมณ์คือวัตถุ ก, กรรมลักษณะจิตที่สายไปเดี๋ยวนึกอารมณ์เล่านั้นก็คือกิเลสกาม เพราะจริงๆความรู้สึกเหล่านี้ก็คือพวกกามฉันในเรื่องของความพยาบาทก็มีลักษณะอย่างนั้นรือไม่จำเป็นจะต้องไประลึกเฉพาะเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอาจจะระลึกถึงคนถึงสตัตว์ถึงสิ่งของที่เคยสร้างความไม่พอใจความเจ็บใจเคยขึ้นแก่ตนมาแล้วในอดีตหรืออาจจะทำความเดือดร้อนให้แก่ญาติมิตรของตนในอดีต เราจะทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ัตรูของตอนในดีบปัญหาสำคัญว่าการระลึกนึกถึงนั้นระลึกในแง่ชอบหรือแง่ชังหรือแง่รักหรือแง่เกลียดหรือแง่คอยคว้ามาหรือแง่ปฏิเสธเป็นอาการที่บุคคลจะพึงสังจิตดูพึงสังเกตดูจิตตัวเองให้ชัดเจนในแต่ละขณะ ในช่วงกรนิวนั้นได้พูดมาถึงอุทจจกุกจจนิวรนที่เป็นอาการความฟุ้งสรรัส้นสสายไปของจิตลักษณะของอุทจจานั้นถึงสังเกตว่าเป็นกิเลสสองข้อที่ต่อเนื่องกันไปอาการอุทจจัก er คือฟุ้งจิตเล่นไปในอารมณ์ต่างๆกาหนดทิศทางไนชัดเจนลงไปไ ม, ไ, ไม่ได้มันเล่นไปไหนต่อไปโน่นทีไปนั่นที อารมณ์ที่ระลึกนั้นอาจจะชอบบางไม่ชอบบางกลางกลางบางเป็นอาการฟุ้งสั้นสัสนสายไม่ยอมสงบอยู่กับที่ก็ตลองไองแค่กับฝุ่นถึงมันฟุ่งออกไปแ้วก็มีลมพัดโดยไม่มีทิศทางที่ชัดเจนฝุ่นมันก็ตลกรักาตของอารมณ์ก็เป็นเช่นนั้นอาการเหล่านี้ที่จริงแล้วเป็นอาการของโมหะซึ่งเกิดขึ้นมาจาก บาลีท่านงช้ากับเจตโสโทอวุปสะมะคือจิตไม่ยอมสงบอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเมื่อไม่ยอมสงบมันก็ฟุ้งไปตามธรรมดาของจิตเพระจิตนั้นเป็นธรรมชาติคิดอารมณ์ระลึกรู้อารมณ์แรือเก็บอา ร, รมณ์แก ต, ต้องอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแต่เมืงั้นก็ต้องแล่นไปในอารมณ์อย่างอื่นเพราะก็จะหยุดคิดไม่ได้แต่หยุดคิดมันก็จบ แตนั้นถ้ให้สังเกตว่าเมื่ออุตจะนิวรณ์มันเกิดขึ้นอุตจะ ก, กุกจุจนิวรณ์มันเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าขณะนี้จิตเรามีอุตจะกุกุจนิวรณ์มันเกิดขึ้นอาการกุกจุจะนั้นแปลว่ารําคาญหงุดหงิดไม่ชอบใจเพื่อเกิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจหรือสังเกตได้ง่ายสังเกตว่าเช่นเราต้องการดูอย่างสงบ และมีใครมาส่งเสียงรบกวนสักครั้งหนึ่งเราจะรู้สึกไม่ค่อยจะพอใจบาลีตัญชากิบมาอารติคือไม่ยินดีหรือไม่ชอบใจแต่พอดีเสียงนั้นดังบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นไอ้ความไม่พอใจหรือไม่ยินดีนั่นเองเก็บเพิ่มความเข้มข้นสูงขึ้นมื่อกลายเป็นกุกุจะคือรำคาญ แต่ถ้าเสียงนั้นยังคงดังเด็กระแทกกระทานมากยิ่งขึ้นปริมาณของความรำคาญนั่นเองจะออกมาในรูปของความหงุดหงิดปริท่านเรียกว่าปฏิฆะแต่ว่าเสียงนั้นยังไม่หายสักทีหนึ่งบางทีก็กระแทกกระทานแรงมากยิ่งขึ้นในความหงุดหงิดนั่นเองก็จะกลายเป็นความโกรธพอนักข้าวหนักข้าวความโกรดนั่นเองก็คุมไว้ไม่ได้ก็ออกมานึกแช่งภายในใจก่อน แล้วการจะออกมาทางวาจาออกมาทางกายก็กลายเป็นโทสะคือปัททุสไรปัททุสไรกันไปแล้วอาจจะต่อรอต่อเฉียงอาจจะพิว่ากันไปแล้วเราเลิกรากันไปแต่ว่าใจที่ชอกช้ำด้วยอารมณ์คือกิเลสสายโทสะนี้เองก็จะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งที่เป็นพยาบาทอยู่แต่ความพยาบาทนั้น บางครั้งก็เหนียวนึกมามากก้มุ่งที่จะเห็นข้าเราเรียกว่าอาคาตท่านหลังจะเห็นว่าที่จริงแล้วเป็นปริมาณของกิเลสที่แกมีความเข้มข้นสูงขึ้นโดยลาดับท่านจึงเรียกตามอาการของเขาที่ปรากฏแกจิตในขณะนั้นๆั้นอุตจักุกจันิวรณ์จึงเป็นอาการของโทสะที่อยู่ในระดับของความไม่ชอบใจความราคาญ คือไม่ถึงก็โกรธประทุษรายแต่ก็รำคาญถ้าว่าจะมีขนาดนั้นก็คงจะมีปัญหาในด้านทำความสงบใจแต่ว่าบางเรื่องที่เราทำงานในชีวิตประจำวันก็เรามันก็มีความรู้สึกอย่างนี้อยู่บ้างแต่เราก็พอทำได้เพราะไม่ต้องการจิต ท, ที่ประนีตมากเท่าไหร่ดังนั้นลักษณะของอุทจักกุกจัก เราจะเห็นเฉพาะตัวฟุ้งตอนนั้นยังไม่รำคาญก็ได้หรือบางครั้งเห็นรำคาญยังไม่ฟุ้งก็ได้ให้ลองสังเกตบางทีนี่รำคาญขึ้นมาก่อนคิดพลาดไปเจ่นเรานอนอยู่ที่บ้านมีเสียงวิทยุข้างบ้านดังนอนไม่ค่อยหลับรู้สึกรำคาญ พอเสียงจะดังอยู่เรื่อยมันก็คิดมากมันก็ฟุง้งคิดจะแก้ไขยังไงจะทํำยังไงมันก็ทําไม่ได้แต่ในสุดก็ฟุง้งหรือบางทีฟุ้งขึ้นมาก่อนแต่สุดคุมตัวเองไม่ได้คือคุมความคิดฟุ้งไม่ได้นั่นคืรอรำคาญขึ้นมาคนนี้จึงถือว่าเป็นปัจจัยของการแลกันก็อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นก่อนก็ได้แต่การดูจิตจึงดูว่าอาการเขาเป็นยังไงในขณะนั้นๆ ถ้าเห็นเป็นอุทะจะกุกุจะคือความพุ่งสร้างความรําคาญปรากฏขึ้นภายในจิตกระสงสอนในลักษณะให้สืบสาวดูซิว่าที่จริงกิเลสพวกนี้แกไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเมื่อก่อนแกก็ไม่เกิดแต่ขณะนี้แกเกิดแต่ก่อนแกไม่เกิดเป็นยังไงจิตเป็นยังไงและครั้นี้แกเกิดทําไมจึงเกิดมาท่างๆ ท, ที่เมื่อก่อนไม่ได้มี อย่างน้อยก็ในขนาจิตนั้นแล้วสอนในลักษณะสืบสาวด้วยความฟุ้งซ่านด้วยความรำคาญของจิตใจนั้นเนื่องจากเป็นกิเลสประเภทโมหะโมหะนั้นเป็นรากงาวของพวกกิเลสความฟุ้งซ่านจึงส่วนหนึ่งก็เป็นพา เป็นาธาตุก็เรียกจิตตวิเคปะคือภุ่งสร้นของจิตคนบางคนมีความพุ่งสร้นเป็นปกติคือเป็นาธนาธตุเป็นทาตุเป็นธาตุอยู่ภายในจิตของเขาแล้วแม้ในยามปกติการแสดงออกการเคลื่อนไหวก็ไม่ค่อยจะหยุดนิ่งไม่มีการควบกคกุมกายไม่มีการควบกคกุมบาจาเป็นคนอาการหลุ ก, ลกหลกคือไม่นิ่งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง นั้นแสดง่าเป็นธาตุเป็นจิตสันดานที่สะสมเอาไว้ภายในจิตของบุคคลผู้นั้นบางอย่างก็อาจจะข้ามพบความชาติัปยอีกอย่างหนึ่งก็เป็นอาจจะเกี่ยวกับสุขภาพของบุคคลดังนั้นในขณะนั้นๆอาการทางกายเป็นต้นไม่ปกติ หรือบางทีก็ปัญหาใหญ่ก็อยู่ที่รุกสิ่งที่ท่านเรียกว่าปริพภ o คือจิตมันไปกังวลเรื่องในเรื่องหองนึง่งกูแต่บาลีท่านจำแนกพวกปริพภ o ออกไปเป็นอันมากคือสรุปง่ายๆว่าเราจะคิดถึงเรื่องอะไรก็ตามนอกจากเรื่องที่ เราจะต้องทำในขณะนั้นนั้นอารมณ์เหล่านั้นกลายเป็นเครื่องปริพเพราะก็จะแบ่งแย ก, กจิตใจของเราให้ออกไปจากเรื่องที่เรากระทำอยู่แต่จะนับเรียงลำดับก็อาจจะนับไปมากมายกายกองแต่การคิดปีนิพจน์าต้องคิดในรูป ง, ง่ายๆไว้ได้ก่อน อ, อารมณ์ใดก็ตามที่แยกจิตออกไปจากเรื่องซึ่งเราจะต้องกระทําในขณะนั้นๆแยกไปสู่อารมณ์ที่เป็นอดีตก็ได้ไขอยคว้าเรื่องอนาคตก็ได้ตัวแมบบ่จะเป็นเรื่องปัจจุบันแต่เป็นการระลึกนอกจากเรื่องซึ่งเราจะต้องทําตั้งแตถือว่าเป็นเรื่องของปริโพ o o t คือเรื่องกังวลใจทีนี้ถ้าระลึกมาก ไปนนทีไปน้านทีไปเ น, นไปนีทีมันก็สายสายมันก็กลายเป็นความไม่สงบซึ่งเรเรียกรวมๆ ว, ว่าจิตตะวิเขปะคือความพุ่งสร้างของจิตมันเป็นอาการทัดสายซึ่งก็ผิดกับพวกของพยาบาทหรือกรรมฉัน กรรมฐานนั้นจะนึกไปในเรื่องนาใคร่นับปรารถนานับพอใจสายเดียวแต่จะแล่นไปสู่อดีตอนาคตหรืออยู่ที่ปัจจุบันก็ตามอารมพยาบาทจะนึกไปในแนวที่เราไม่ชอบอาจจะประรบคนสัตว์ในอดีตก็ได้อนาคตก็ได้ปัจจุบันก็ได้แต่ว่าอุตจกักุกจะนั้นเป็นการระลึกที่ไม่มีทิศทางความฟุ้งซ่านเลื่อนลอยเพ้อขวัญ สร้างวิมานในอากาศแต่วก็เพอ่อเจอดเรื่อยไปลักษณะความคิดก็เพอ่อเจอดเรื่อยไปไปไอ้สุเมันจะห่างออกไปจากอารมณ์ที่กาหนดระลึกอยู่ในขณะนั้นทุกจีเทนาการพุ่งสรางกระสายไปเช่นนี้ว่าเกิดขึ้นมาจากจุดนี้ ขณะที่น่าจะศึกษาก็คือว่าในขณะก่อนแกไม่เกิดแกเกิดในขณะ น, นี้ก็ทํานองว่าทํานองเดียวกับผลตกแดดออกกันแกก็ไม่ได้เกิดทุกทุขณนะเมื่อเราเห็นอาการผลตกอาการแดดออกที่ปรากฏในขณะนั้นก็รู้ว่าขณะก่อนไม่มีขณะนี้มีมันแกมีเพราะอะไรแล้วแกจะไม่มีไปเพราะอะไร ให้ลองสังเกตว่าแกมีเพราะเหตุใดแกจะไม่มีเพราะเหตุนั้นไม่มีก็เป็นกฎข้อธรรมชาติแต่การที่อุตจักุจจะแกมีเพราะความพุ่งสร้างของจิตหรือความไม่สงบของจิตถ้าจะแก้ไม่ให้มีก็คือทําจิตให้สงบปัญหาใหญ่ว่าทํายังไงให้สงบ เพรตามปกติแล้วการเจริญกรรมฐานนั้นสาธารนชนที่ศึกษาปฏิบัติกรรมฐานมา ก, ก็จะพบได้โดยใจตัวเองว่าบางทีเรานั่งสมาธิไม่สงบเลยเราจะหลายหลายครั้งไม่สงบบางท่านอาจจะนั่งมาเป็นปีๆไม่เคยสงบซึ่งอันที่จริงไม่ใช่เรื่องแปลกอันเป็นอย่างนั้นเองเป็นธรรมชาติของจิตอย่างนั้นเองแม้แต่ยุคสมัยพุทธกาล คนหนาที่มีวาสนาปรมีสร้างสมบรณมาจะาบรรลุอรหัตเป็นพระหัน้วยซ้งไปนั่งสมาธิมา25ปีแล้วยังไม่เคยได้ความสงบแม้ขนาดแม้ขนาดเดียวแต่ตั้องแตั้งแตกอาศัยความเชื่อมันว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ไร้ผล อาการที่ไม่สงบนั้นไม่ถึงจุดที่จะให้เกิดความสงบเท่านั้นเองเพานทําทำยังไงถึงจะให้จิตก้าวเดินไปสู่จุดที่จะเข้าถึงความสงบและความสงบก็จะเกิดขึ้นท่านบวชเป็นภิกษุณีมาตั้งแต่ยังสาวๆจนแก่แล้วจึงได้บรรลุมรรคผลเป็นพระหัต์จะถือไม่เท้าแล้วได้ทำไป เพราะว่าในเรื่องเหล่านี้จึงไม่ใช่เรื่องผิดปกติธรรมดาอะไรเป็นธรรมดาสมบุกสบุคณ์นั้นแต่ข้อสำคัญว่าต้องมีความเชื่อมั่นว่าผลจากการปฏิบัติในเรื่องนี้มีอยู่แล้วคนได้รับผลต่อเนื่องกันมาอย่างน้อยก็ 2,500 รกว่าปีแล้วจึงมีการถ่ายทอดเนการสืบทอดกันมาได้เึยงแต่ว่าเรายังไม่ถึงจุด ที่จะให้สัมผัสความสงบเท่านั้นเองแต่ก็ใช้ความเปลี่ยนพยายามต่อไปผลการที่ใจจะไม่พุ้งสร้นสั้สายนันคือทำทรงกันข้ามที่เรียกว่าเจตสุภุกะสมะคือทำใจสงบมาถึงปัญหาใหญ่ว่าทำยังไงจึงจะให้ใจสงบในข้อนี้ท่านแสดงถึงการสร้างสาภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อความสงบ คนนี้เรสังเกตว่าการปฏิบัติสมาธิหรือแม้จะทำงานอะไรก็ตามการใช้ชีวิตเราก่อนหน้านั้นก่อนหน้านที่จะมาทำงานเหล่านั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่จะให้เกิดผลดีหรือไม่เกิดผลดีเราดูตัวอย่างง่ายๆเช่นก่อนจะนอนถ้าหากว่าเราไม่มีปัญหาอะไรสุขภาพกายก็กดีสุขภาพจิต ก, ก็ดี ตราบถาเรียบร้อยแล้วผมันก็นอนได้หลับไปดีแต่ก่อนจะนอนมีเรื่องทะเลาะวิวาดการมีปัญหากับก้องใจที่จะก้องต้องแก้ไขในวันรุ่งขึ้นหรือสุขภาพกายสุขภาพจิตเราไม่ดีมันกนอนไม่ค่จะหลับเพราะในเงื่อนไขก่อนที่จะทําสิ่งนั้นถือว่าเป็นตัวกําหนดที่มีความสําคัญว่าจะให้เกิดเป็นความสงบหรือไม่เกิดเป็นความสงบ เวลาสอนเรื่องกรรมฐานพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนมาตั้งแต่ต้นก็ปรับสภาพแวดล้อมลักษณะทางอารมณ์ลักษณะของร่างกายเสื้อผ้าอาหารสถานที่ผมเปเพียนไปต้นเนี่ยจะตอกย้ำไว้เป็นอันมากเพราะบางครั้งมากราวแม้แต่เสื้อผ้ามีกลิ่นไปหน่อยเราก็มีปัญหาแล้วใจจะไปะวิตกกังวลอยู่ตรงนั้น หรืบางครั้งร่างกายรู้สึกเหนียวเนื้อเนี้เหนียวตัวนิดเดียวก็มีปัญหาแล้วรู้สึ ก, กดัดขัดข้องจิตมันก็แวบไปดูที่กายแทนที่จะไปดูที่จิตหรือดูที่อารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นแก่จิตในขณะนั้นนั น, นการปรับสาภาพแวดล้อมซึ่งเป็นการสร้างปัจจัยเกื้อกูลต่อความสงบของจิตตั้นแตเริ่มต้นที่การศึกษาการสัมผับฟัง เียกว่าปัญหาสัจจะหรือปูสูตรเรื่องปูสัจจะหรือปูสูตรนั้นจะต้องอยู่ในที่ต่างๆเพราะเป็นเรื่องของปัญญาเราจะทําอะไรก็ตามจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องนั้นนั้นลักษณะของปูสูตรเป็นเหตุที่บุคคลจะต้องสร้างขึ้นโดยการศึกษาเรียนรู้ทางภาษาสัมผัสคือเรียนรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ แลในขณะเดียวกันนั้นการเรียนรู้จะต้องนำไปสู่การทรงจำไว้ทรงจำไว้แล้วก็นำมาบางเรื่องที่เป็นกฎเป็นเกณฑ์ที่มีความสาคัญก็ท่องเป็นหลักเอาไว้แล้วก็นำเรื่องเหล่านั้นมาคิดมาพินิจพิจารณาแยกแยะออกไปชัดเจนแอ่สูวใหญ่ที่เป็นกุศลอกุศลสมมติว่าส่วนใหญ่ที่เป็นกุศลอกุศลเราแยกแล้ว แล้วก็แยกจากกุศลนั้กุศลเหล่านั้นย่อยออกไปอีกย่อยไปอีกโดยนํำดับจนมองเห็นชัดเป็นขณะจะสามารถที่จะวิเคราะห์ตัดสินอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นๆั้นเปนเวลาเวลาจิตใจก็เราพุ่งสร้างไปอาศัยความรอบรู้นั้นจะช่วยให้มีการวินิจฉัยว่าทำไมทำไมจึงเป็นเช่นนั้นจะแก้ไขอย่างไร เถ้าเราขาดความรู้เราแก้ไขปัญหาเรานั้นไม่ได้ในการศึกษาจะถือว่าเป็นฐานผมสังเกตว่าแม้แต่การเรียนพระสัทธรรมพระพุทเจ้าก็เรียนปริยัติปฏิบัติปฏิเวทในลักษณะเป็นขั้นบันไดจะต้องขึ้นไปจากปริยัติหรือการศึกษาเรียนรู้าทางภาษาสัมผัสของเรา แล้วก็นำมาคิดนํามาพินิษฐพิจารณาให้เหตุในแง่ของความเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ตรงนี้อาจจะเป็นคุณในกรณีนี้แต่เป็นโทษในกรณีนี้คล้ายๆกับน้ําซึ่งว่าที่จริงก็เป็นคุณแต่ไม่ใช่เป็นคุณไปทุกกรณีบางกรณีก็เป็นโทษได้จะมีโรคไขข้อเจ็บปางอย่างหรือในในบางขณะในขณะผ่าตัดเสร็จไปใหม่ก็ห้ามดื่มน้ํา น้าแม้จะมีคุณระดับในขณะนั้นก็ไม่ได้เพรากลายเป็นเรื่องมีโทษเพราะกันแยกแยะจึงต้องแยกแยะให้ชัดเจนมากไม่ใช่ว่าไปติดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะในจุดนั้นอาจจะเป็นประโยชน์จริงแต่อีกจุดหนึ่งละ่ะอาจจะไม่เป็นประโยชน์ก็ได้หรือปริมาณความมากน้อยของสิ่งรถนั้นในขณะหนึ่งใช้ได้ในขณะหนึ่งน้อยไปหรืออาจจะมากไป การระลึกรู้แยกแยะออกไปชัดเจนจึงต้องอาศัยการศึกษาเรียนรู้โดยเฉพาลักษณะของอารมณ์ที่ฟุ้งสัน้นถ้าความรอบรู้ไม่มากพอที่จะวิจัยประเดน น, นี้เราฟุ้งสัน้นก็ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ทำามอนทานองคล้ายๆ ก, ก, ก, กับเราป่วยแต่ไม่ยอมรับว่าเราป่วยหรือไม่รู้ว่าเราป่วยเราแก้ไขไม่ได้ ด, ดังนั้นท่านจึงบอกว่าต้องเป็นทิฏฐิยาสุปฏิวิธาคือขบเจาะแทงตลอดในทิฏฐิความคิดความเห็นของตนเราเริ่รู้ได้ทันทีว่าอารมณ์เหล่านี้เป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศลซึ่งเราก็าจริงแล้วยากเพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์วางอย่างมันแยกไม่ค่อยออกว่าเป็นกุศลหรืออกุศล ที่ท่านเรียกว่าเป็นชับป่าคืออารมณ์ที่กระสิบใจเช่นตัวอย่างเราจะทำความดียังใดยังหนึ่งมีอารมณ์ยังหนึ่งจะเกิดขึ้นมาแทรกซ้อนแต่อารมณ์เหล่านี้จะมาในรูปมิตรถึงยากต่อการวินิจฉัยคราวนี้พิงดูตัวอย่างว่าอารมณ์ที่เกิดแก่พราพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่าเป็นมานเวลาจะเสด็จดอกพนุ ก็เกิดขึ้นมาห้ามปลาอย่าเสด็จออกขณูตเลยอีกเจ็วันจะได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิมีหมาสมุทรสาครทั้งสี่เป็นขอบเขตจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่าพระราชาทั้งหลายแล้วจะออกเลยระบากเปล่ามันมีลักษณะธ น, นุถนอมเอื้ออาทรห่วงใยต่อสุขภาพต่อพราดรใมัยต่อสวัสดิภาพของเราและเราก็ถนอมตนเองอยู่แล้วด้วยอา ร, รมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นก็รู้สึกมาสอดคล้อง มีลักษณะตอบสนองความต้องการของเราปัจจัยของบุคคลมกักจะไหลไปตามอารมณ์แบบนี้พระพุทธเจ้าและพระหันตั้งหลายนั้นเวลาพวกมารมาปลอมตัวป่าหลอกลวงโดยวิธีการใดจางหนึ่งจะมีพระพุทธดํารัสใช้คำอารีว่าปาปิมาดูก่อนมารผู้มีบาปเรารู้จักท่านเรารู้จักท่านเราเห็นท่าน คือจะมาในรูปอะไรก็ตามแล้วรับสั่งใช้คำนี้เพราะเรารู้จักคำแสดงว่าโดย ร, รูปแบบจริงๆคล้ายๆจะเป็นมิตรแต่ว่าเป็นการมองผ่านภาพมายาที่ปิดบังเอาไว้ก็แสดงให้เห็นถึงจิตใจจริงๆหรือเจตนาหลบจริงๆของการกระทาเหล่านั้นว่าจริงๆแล้วก็คือศัต ร, รูเพราะการมิไิจฉัยอารมณ์ที่เกิดขึ้น โดยแยกให้ชัดเจนว่าเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูต่อการทำความสงบหรือต่อการทำงานในกรณีนั้นๆจึงจะต้องอาศัยกำลังของสติสัมปชัญญะยุดสูงเพราะบางอย่างาเราเห็นมันมีความสมเหตุสมผลแล้วก็ควรจะเป็นเช่นนั้นด้วยแล้วก็ไหลาตามไม่ได้ง่ายด้วย สมมติเราทำงานเวลาเลยไปหน่อยเลยเชื่องคืนไปหน่อยมันน่าจะนอนได้แล้วไอ้ใจหนึ่งมันจะทำงานเนี่ยมันเสร็จต ใ, ใจประเภทชับป่าก็จะข้ามมากระสิบพอเลยเชื่องคืนไปแล้วเหลืจะนอนไม่พอนอนได้แล้วพวกนี้จะได้ตื่นมาจะได้มีเรี่ยวแรงมีกำลังแล้วก็ทะนุถนอมดีลักษณะทะนุถนอมดีเราก็มักจะไหลาตามเขาไปได้ไง่าย าการวินิจฉัยอารมณ์นั้นจึงจําเป็นจะต้องอาศัยกำังของปัญญาเป็นตัววินิจฉัยมากในปัญญาจะเกิดขึ้นก็ต้องการประกอบการกระทําการสร้างขึ้นปูสะจักนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาประเภทที่เราเรียกวิโยคปัญญาคือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการประกอบเนื่องจากกิเลสประเภทนี้เป็นกลุ่มของโมหะดังกล่าวแล้ว การศึกษานั้นเป็นพวกพัฒนาปัญญาซึ่งเป็นแสงสว่างกลุ่มของโมห oh ะเป็นกลุ่มของความมืดพวกนี้เป็นปฏิปักษ์กันเมื่อสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งจะต้องเสื่อมไปจะต้องบรรเทาลดความรุนแรงลงไปเพราะเมื่อแสงสว่างคือปัญญาเกิดขึ้นความมืดก็จะบรรเทาเบาบางลงไปความวมืดดยโมหะก็จะบรรเทาเบาบางลงไปก็จะควบคุมความคิดจิตใจของตัวนั้นสงบอยู่ได้ อีกประการหนึ่งต้งใช้กับว่ามีความรอบรู้ชำนิชำนาญในด้านวิทยในคือมีมีความชำนิชำนาญในดักในการที่จะพุษปฏิบัติโดนให้เหมาะสมถูกต้องตามระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆวิยในนั้นก็คือในยะพิเศษในความหมายนี้ก็คือฝึกกายกับฝึกวาจาฝึกใจ จะต้องสอดส่องดูมองเห็นคุณเห็นโทษในเรื่องเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนแต่ก็ไม่นด้ใช้แตสินอารมณ์ไปตามสมควรแก่กันดีแต่ทีนี้บางครั้งเนี่ยเวลาเกิดฟุ้งซ่านขึ้นมาแต่อัาขันนั้นอาจจะแก้ไม่ทันจะทำยังไงว่าจะดึงความคิดให้ไปอยู่ในจุดในจุดฟุ้งก็ฟุ้งไปแต่ว่าให้ฟุ้งอยู่ในทางที่จะสงบจิตได้ เมื่อเวลาปฏิบัติกรรมฐานท่านจังมีวิธีเปลี่ยนที่สวดมนต์ใชบ้างเดินโยกรมใชบ้างสาธยายใชบ้างฟังธรรมะใะบ้างก็ยังคุมไอตัวฟุ้งยังไม่อยู่จะคุมไอรวดเร็วรุนแรงมันก็เอาไม่ได้ใหญ่อันวิธีที่ทำให้ง่ายก็คือให้ฟุ้งเหมือนกันแต่ฟุ้งในที่ทางที่ไม่เป็นภัยเป็นอันตรายทานองคล้ายๆก็บเจับปรา ปลาแกติดแกเยื่อใยแกอะไรอยู่ในน้ำํำติดอยู่ในน้ำในการจะจับปลาอย่าให้ดิ้นนั้นก็ต้องให้แกมีน้ําอยู่ด้วยจะนวดเอาขันเอาภาชนะอะไรไปตักให้แกมีน้ําอยู่ด้วยการฝึกจิตใจไม่ให้ดิ้นไม่ไม้พรั่นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันหรือไม่ได้ใช้วิธีรุนแรงเกินไปถ้ารุนแรงเกินไปจิตก็จะฟุ้งซ่านมากยิ่งขึ้นและในสุดก็จะแก้ไม่ได้ การปฏิบัติจึงมีลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปบางครั้งจึงต้องสวดมนต์บางครั้งจึงต้องเดินจงกรมบางครั้งยังสนทนาธรรมบางครั้งก็ฟังธรรมบางครั้งก็นั่งกาารรมฐานบางครั้งก็พิจารณาแ ต, แต่แต่ละอย่างนั้นที่จริงแล้วเป็นการสร้างเหตุปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมให้จิตค่อยๆปรับตัวเองเข้าหาความสงบตามกําลังความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะกระทําได้ในโอกาสนั้นๆต่อแต่นี้ปายก็ขอให้ ตใจต้องความสงบสืบ ต, ต่อไป <c oughs>